พอเจอพระใจก็มาโล่งอกสบายใจเลยคือหมดภัยอันตรายแต่ภาพสั ญ, ญลักษณ์นี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีบางทีเจอพระหรือแต่งเป็นพระจริงคือภายนอกห่มผ้ากาสาวพัจริงแต่ภายในเป็นพระหรือเปล่าคนชักจะไม่ไว้ใจไปเจอพระแทนที่จะปลอดภัยเลยชักหนักใจอย่างนี้ก็ไม่ไหว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 ให้เป็นอันรู้กันว่านี่เป็นการยอมรับตามสภาพสังคมแต่เรามุ่งในการบรรลุธรรมจึงไม่มาติดใจกันในเรื่องนี้เป็นอันว่าตอนแรกที่พระมหาปชาบดีขออนุญาตพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ของสังคมแต่เมื่อยกเหตุผลในแง่การบรรลุธรรมอันนี้ก็ทรงอนุญาตให้บวช